พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปโนแสดงแห่งหนะมอมหลวงจิตติโนภงฟังเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2567ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานี ข, ของไม่มีส่วนใด ท, ที่จะละเอียดยิง่งกว่าจิตดวงนัญญานีที่แ ท, ทรกซมผ่านจจึงกลายเป็นของละเอยียดไปต่างๆกันสาสนาธรรม คำสอนของพระพุทธเจา้านับจำนวนแปดห0ื่สีพันระธรรมคันล่วนแล้วแต่เป็นวิบายวิธีที่สอนให้ผู้รับศึกษาจากพระองค์ท่านปฏิบัติต่อเรื่องจิตใจเป็นของสำคัญ เกี่ยวกับงานทางโลกก็ต้องถือใจเป็นหัวหน้างานเกี่ยวกับงานภายในโดยเฉพาะก็ต้องเกี่ยวกับใจเป็นหัวหน้าเหมือนกันผู้เรี รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความเคยชินต่อเหตุผลพอสมควรแล้วระดำเนินทางโลกที่ปฏิบัติต่อโลกก็มีความสม่ำเสมอรู้ความหนักเบาของจิตที่ทำ หรือสภาพความเป็นอยู่ของโลกกับตนเองไม่ผ่านผลนและไม่ทาความรุนกรุแต่ตนผู้ดำเนินทางด้านธรรมะเลยเฉพาะควมีลักษณะเพ่นเดียวกันการข้ามแม่น้ำหรือเรือเป็นสำคัญ กูจะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญตั้งแต่บุกตนจนถึงปิดจุดท้ายก็ต้องถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญไม่มีสิ่งรือใดที่จะสามารถนำจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความประสงค์และถึงจุดหมายปลายทางอันเยี่ยมยอดไาย ในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวลมาไว้สรุปความแล้วเรียกว่าเป็นส่วขาตัดธรรมคือธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไวชอบแล้วทท้งนั้นและสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเผ็ญที่ให้เชื่อวิญญา um นิการธรรมนา ความขัดข้องยิ่งเยิงออกจากผู้ปฏิบัติตามประศาสนาคนนั้นออกนดเป็นลำกับลำกับฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิยานิกนรรมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติชอบด้วยส่วขาตธรรมหลักของศีลในข้างพุทธการ นู้สึกว่าไม่ค่อยมีมากมายนะแต่เมื่อมีความผิดมากที่แสดงออกทางกายวาจาสาหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจา้ามีจำนวนมากเรื่องก็จึงกลายมาเป็นบทประยับเป็นิีขาบทขึ้นมาเป็นลำดับกันนะ พระที่ตันมีศีลประจำที่เด่นชัดว่ามีสองยี่ิดข้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นอนุบัญญตัติคือบัญญัติขึ้นทีหลังนั้นจำนวนมากมายเป็นพันๆ น, นี่คือบัญญัติตามความเคลื่อนไหว ของผู้ิดกระทำผิดและในครั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพระพุทธเจา้าแสดงธรรมเกศถ้าเป็นจาวกีทั้งหากไม่ควรจะเด้ปลาลบถึงหนึ่งสีเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้มีสีห้าู่แล้วภายในตัวโดยสมบุตร ท่านก็เป็นนักบวชตามความนิยมของคนในสมัยนั้นเป็นมีสีิษยหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเทศพระเหมือนอย่างพระในก็พุทธศาสนาของเราทุกวันนี้แสดงถึงเนื่งเบเรียพิคเวยีรประธรรมจักรปวัตนาสุให้เหมาะกับนิสัยของท่านเหล่านั้นซึ่งมีความละเอียด ถึงควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายยุทธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุกวันนี้ที่ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นเกจีอาจารย์ยัง แต่งขึ้นอีกมากมายที่นี่หลักธรรมซึ่งเป็นความจริงจริงจรงจนจะไม่ปรากฏเพราะผู้แต่งก็แต่งขึ้นมากมาย <c oughs> แต่การแต่งสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีที่เลสอยู่แล้วแต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอนี่แะ่ะ ที่จะทำธรรมาคาสอนของพระพุทธเจา้าให้กลายเป็นของปลอมไปโดยไม่รู้สึก้ากิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วพูดออกมาคำใดก็เป็นอัดเป็นธรรมล้วนๆเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสาวมันทนหรอกทำจริงเป็นธรรมล้วนๆ ไม่ได้มีโรคเกี่อกแสงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลยวิธีปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเรานี้โปรดจะได้คาดคาเนในขณะที่ทม ขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบทนั้นๆและให้รู้กันดีซึ่งซึ่งน้าจะปรากฏผลดีชั่วอย่างไรขึ้นมาก็ให้รับรู้กันที่นั้นอย่าได้ขาดหมายออกไปอภายนอกจากวงของจิตที่ทําหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นนั้น นี่แหละชื่อว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเงยบเือกเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมาจิตที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขนีความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจตัวเองซ่านออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ ไม่เีเียดแดดจิตไม่ทรงตัวอยู่ได้ตามลำพังของตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติปลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไ ม, ม่มีทันว่ายอย่างนั้นคำว่าความสงบในบทแห่งสันตินี้หมายถึงความสงบ โดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดออกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติคือจะกกายจากสันตินั้นไปเสียท่านจริงว่าไม่มีความสุขอื่นใด จ, จะเสมอโดยความสงบโดยหลักธรรมชาติคื อ, ห ม, อหมดสิ่งที่เครือบแฝงโดยที่เชิงแล้วนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าแม่สาวกท่าน เป็นจิตอย่างคือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเขา้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติเพาราะสันตินั้นไม่ได้ละบทบาทจากความสงบอันแท้จริงของตนจิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้น ยอมมีสูงสูงต่ำๆเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยจริงต่างๆเช่นธรรมะเป็นต้นเพื่อแลงอยู่ภายในนั้นมีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือพุโทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหลักพึ่งพิของใจ เมื่อใจยังไม่ได้ที่พึงเพราะอัสมควรภายในตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะเหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือแล้จูงไป <c oughs> เด็วก็คล้อเดินไปตามหลังต่อเมื่อมีกำลังแล้ว เขาก็ไปตามลำผังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชักจูงต่อต่อเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของเรากับอาการ แห่งธรรมที่เรานำมากำกับขับใจเช่นอนาปานสติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่เฉพาะนั้นยิกเมื่อทำความรู้อยู่กับลมหายใจดูวความติดต่อจะค่อย รวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปหรือปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้เมื่อความสงบสุขนี่วิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ ตามที่กล่าวมานี้ความสงบเยือกเย็นภายในใจจะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มฝึกหัดไม่ว่าผู้ฝึกหัดมานานแล้วถ้าถูกวิธีต้องปรากดผลขึ้นมาเป็นความเย็นใจครูจะกำหนดพุทธโทก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทธโท พุโทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขนาดไหนทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะความเกิดหรือความดับแห่งคาบริกรรมคำนั้นๆสติให้มีติดต่ออยู่กับคําบริกรรมของตนเราไม่ต้องสํำคัญว่า ทำบทนี้เป็นทำขั้นต่บเป็นทำขั้นสูงข้อนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรคยาที่นำมาแก้โรคขนาดใดที่ถูกกับโรคของเราขนาด น, นั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนำยาขนาด น, นั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่ า, วาโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไป หรือหายไปเราจรึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนานนั้นเพราะยาขนานใดไม่ถือว่าเป็นขนานที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคเท่านั้นลักษณะแห่งทำทุกบททุกบาทก็ย่อมมีนยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโธไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆ ตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะต่าอื่นเมื่อเรานํามาพิจารณาเพื่อเพื่อทําเพื่อถอนถอนตนัวเด้งแล้วสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายใ น, ในใจิตใจโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าสภาพนั้นต่ําสภาพนี้สูง สภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญหรือความเจริญเฉลี่ถอดถอนตนออกได้เป็นลำดับๆเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆหรือบทนั้น เป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเหล่านั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากจิตใจไปได้โดยอุบายหรือวิธีต่างๆ ต, ตามแต่ความแยบคลายของผู้นั้นจะนํามาปฏิบัติต่อตัวเองนี่เป็นหลักสําคัญสําหรับผู้บําเพ็ญ สาสนะทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บําเพ็ญโดยไม่ไปรออยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราบําเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำานับ ตามกําลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยให้เราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความบริสุทของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำท่ามสอนพระองค์ท่านไว้ว่า นิพพานดีที่นั่นหรือนิพพานมีลักษณะเช่นนีความสิ้นสุดแห่งทุกจากใจเป็นถิงนนั้นเช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถที่ช่องบอกทางพระองค์ทัานไว้เลยแต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ทัานเป็นลำดับไปแล้วก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะระยะ จนกลายเป็นความมืดขึ้นมาและท่านกล่าวไว้ในปัจัยการคืออวิชชาปัจจสร้าง้าลากว่าดีทมที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้จริงอวิชชาปัจจัสร้างฆารานั้น เป็นประวัติของเรื่องผิดใจพวกเราทุกๆทัดความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องกับอวิชชาเป็นเจ้าเดือนนั้นต้องพาให้วกเวยือนท่องเที่ยวเช่นเดียวกันหมดทุกรูปทุกนามบรรดาจิตที่มีความรู้สึกตัวดีไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะต้องดาเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกัน ฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคําเดียวเท่านั้นจึงกระเทือนไปหมดทั้งโล ก, กฐานมานิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอิงคมเทวบุตรเทวนาที่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชานั้นก็คือเรื่องของความเพียร ตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเคียนภาวนาเดินจงกรมเคียนพินิจพิจารณาในถาดในขันในอันตะนแยกส่วนแบบแบบ่งส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานั่นเองอะปฏิเศธ วิแปลว่าแจ้งงาแปลว่ารู้มี่ตามปริยัติเอางาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชารู้แต่ไม่แจ้แต่ว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้รู้แบบวิชาล้อนๆมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้ จึงจาเป็นที่เราจะต้องอบรมเริ่มต้นแต่เห็นความสงบเยอเือกเย็นของ จ, จิตใจเราไปเป็นลํานักที่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิบ้างหรือความสงบบ้างลักษณะของจิต ที่ลงสู่ความสงบนั้นมีผิดแปกกันอยู่บ้างตามแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกันบางนิสัยก็ค่อยสงบลงไปสงบลงไปและลงถึงที่แห่งความสงบพักอยู่โดยความรู้ของตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดมาเพื่อแฝงหรืออารมณ์ไม่มีในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกว่าจิตสงบลงได้ บางรายก็รวมลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตกหิ้วตกบ่อแต่เมื่อถึงที่แล้วก็ทรงความรู้ของตนไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกันมี่ทันก็เรียกว่าจิตดวงแต่เราอยากได้คาดคเนในความรวมของจิตทั้งสองประเภทนี้ให้นอกไปจากหลักธรรมที่เรากำลังบำเพ็ญ พยายามสอดรู้อยู่ตามหลักธรรมหรือบทธรรมที่เรานำมาพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นอย่างใกล้ชิดจิตของเราที่รับความสงบเยือกเย็นภายในตัวเองในขณะที่ภาวนานั้นทุกๆุรายจะต้องปรากฏเป็นความอัศจรรย์รือแปลกปรลาดภายในตัวด้วยกัน และเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความผาอกพอใจและเกิดความแปลกประหาดภายในใจนอกจากนั้นแล้วยังจะเป็นเหตุให้เพิ่มความภาคความเพียรความขยันมั่นคงต่อหน้าที่ที่ตนจะพึงทำเพื่อให้จิตเป็นเช่นที่เคยเป็นมายอ่งยิ่งขึ้นไป การถึงความสงบขณะจะใช้ปัญญาเมื่อจิตเคลื่อนที่ออกมาเพื่อสู่อารมณ์แล้วเราก็ควรนำอารมณ์แห่งทําเข้าไปให้จิตมีหน้าที่ทำไม่ชนั้นเรื่องของโลกก็จะแฝงเข้ามาจิตจะกลายเป็นโลกไปจึงต้องอาศัยปัญญา ดูความพินพิจารณาดูสภาพความเป็นอยู่ภายนอกและสภาพความเป็นอยู่ภายในสภาพความเป็นมาของทั้งข้างนอกและข้างในความเป็นไปของเขาตลอดทึ้งความแตกความสลายย้อนเข้ามาข้างในและพิจารณาออกไปข้างนอกเทียบเคียงดูให้เห็นทุกชิ้นทุกส่วนว่ามีส่วนไหนมั่ง ที่จะพอทาความร่มเย็นให้แใจ่จิตใจที่เข้าไปอาศัยในสิ่งนั้นเมื่อสรุปความลงแล้วไม่มีอันใดที่จะให้ความสุขแจ่ใจอย่างสมบูรณ์เหมือนกับกจิตที่ได้ถอดถอนออกตนออกมาจากสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี่นี้ท่านที่มีความสุขอันสมบูรณ์เนื่องจากท่านได้ถอดถอนจิตใจของท่านออกมาจากสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกภายใน จนไม่มีอันใดเหลือตามที่อธิบายผ่านมาแล้วเมื่อสองคืนวงแล้วนี้นั่นแหละจึงจะเป็นสันติที่แท้จริงนะสันติอันนี้เป็นความพอดีสำหรับตัวจะามาเพิ่มอีกก็ไม่ใช่สันติ้าถอดถอนอะไรออกไปอีกก็ไม่ใช่สันติที่แท้จริง สันติอันนี้เกิดจากการถอด ถ, ถอนสิ่เกลือนแฝงทั้งหลายภายในตนออกไม่ให้มีอะไรเหลือมีท่นานเรียกสันติถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ท่านเรียกว่าพูดถึงสัุปาทิเสสานิพัสท่าขันจะเป็นเรื่องของท่าของขันจะเป็นเรื่องของโลกอยู่ตามธรรมนาของเขาแต่ใจที่ถึงสันติอันแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นอยู่เช่นนั้น เงินจะจากสภาพมานี่แล้วสภาพนี้ก็หมดสมมติไปในความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาส่วนจิตที่พ้นจากความสมมติไปแล้วก็ม่มีสมมติอันใดที่จะตั้งที่ตั้งนาำเพราะไม่ไปก่อกําหนิดเกิดขึ้นที่ไหนให้เป็นตัวสมมติขึ้นมาเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลาบากซึ่งเป็นตัวสมมติจึงไม่ได้เกี่ยวกันกันกบจิต ประเภทที่นอกจากมุตต์ดวงนั้นนั่นแานเรียว่าอานุาปาทิเสสนิพันวันนี้อธิบายธรรมะเพียงยอดๆนั้ขอให้ท่านนับใจบุญทั้งหลายนำไปมิตรยนานาและอบลมตนเองให้เป็นไปไม่ได้มากกวันละเล็กและน้อย เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันก็จะมีเกณมามาและจะกลายเป็นผู้มีสมบัติมากขึ้นมาภายในใจที่ส่องสมตลอดเวลาท่านขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้